เอาขึ้นดูเวทนานุปัสนาแล้วขึนน้นาสาธยายกันเลยอ่าขึ้นขึ้นหน้าแรกเลยนะขึ้นเวทนาสติปัฏฐานะสุดตังเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานาังข้อที่ร้อยสามสิบเก้าเนี่ยหน้าแรกเลยมาดูบาลีนะดูบาลีด้วยข้อที่ร้อยสามสิบเก้าจะสาธยายบ บาลีนะบที่ น, นี้มีเหลือเล่มเดียวเหลือเล่มเดียวกระถันจ่พิกเวพิกขุเวทนาสุเวทนานุปัสสีวิหารติอิทาพิกเวพิกขุสุขขังเวทนางเวทยิมาโนสุขขังเวทนางเวทยิมาเวทิยามีติปชานาติทุก ข, ขังเวทนาง เวทิมาโนทุกขังเวทนางเวทิยามีติปชานาติอทุกขมสุขขังเวทนางเวทิมาโนอทุกขมสุขขังเวทนางเวทิยามีติปชานาติสามิสังวาสุขขังเวทนางเวทิมาโนสามิสังสุขขังเวทนาง เวทียามีติปชานาติมิรามิสังวาสุขขังเวทนางเวทียมาโนนิรามิสังสุขขังเวทนางเวทิยามีติปชานาติสามิสังวาทุกขังวาเวทนางเวทียมาโนสามิสังถูกขังเวทนางเวทียามีติปชานาติ นิรามิสังวาดุขขังเวทนาเวเดียมาโนนิรามิสังดุขขังเวทนาเวดยยมีติปะชานาติสามิสังวาดุกขมาสุขขังวเวทนาเวเดียมาโนสามิสังดุขมาสุขังเวทนาเวดยยมีติปะชานาตินิรามิสังวาดุขมาสุขขังเวทนา เวทียมาโนนิรามิส ah ังอะดุกมาสุขังเวทันยังเวทียามีติปัญานาติอิติอัจฉตังวาเวทนาสุเวทนานุปัสสีวิหรติพระหิทธาวาเวทนาสุเวทนานุปัสสีวิหรติอัจฉตะพระหิทธาวาเวทนาสุขเวทนานุปัสสีวิหรติ สมุทยธรรมานุปัสสีวาเวทนาสุขวิหรติวยธรรมานุปัสสีวาเวทนาสุขวิหรติสมุทยะวิยธรรมานุปัสสีวาเวทนาสุขวิหรติอัติเวทนาติวาปนสสสติปจุปัฏฐาตาโหติยาวะเดวะยานมัตตายะปฏิสติมัตตายะ อา น, นิสิตโตจากวิหรตินาจากกินจิโรเกอุปาทิยติเอวังโผลพิคเวพิคขุเวทนาเวทนานุปัสสีวิหรติอ่านยากวะเนี่ยอต่อไปเวทนานุปัสนาสติปท า, านนะข้อที่ร้อยสามสิบเก้าดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาอย่างละในเวทนาอย่างไรเล่าภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เสวยสุขเวทนาอยู่ก็รู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนาเสวยทุกขเวทนาอยู่ก็รู้ชัดว่าเราเสวยทุกขเวทนาเสวยอทุกขมสุขเวทนาอยู่ก็รู้ชัดว่าเราเสวยอทุกขมสุขเวทนาอยู่เสวยสุขเวทนามีอามิตรก็รู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนามีอามิตรเสวยสุขเวทนาไม่มีอามิตรก็รู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนาไม่มีอามิตร เ ส, ie, สวยทุกเวทนาม่มีอา m i t ก็รู้ชัดว่าเราเสวยทุกเวทนามีอามิ t h เสวยอทุกขมสุขเวทนาไม่มีอามิ t h ก็รู้ชัดว่าเราเสวยอทุกขมสุขเวทนาไม่มีอามิ t h เสวยอทุกขมสุขเวทนามีอามิ t h ก็รู้ชัดว่าเราเสวยอทุกขมสุขเวทนามีอามิ t h เสวยอทุกขมสุขเวทนาไม่มีอามิ t h ก็รู้ชัดว่าเราเสวยอทุกขมสุขเวทนาไม่มีอา m i t ด้วยเหตุดังพราณาชนี ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายในบ้างเห็นเวทนาในเวทนาภายนอกบ้างเห็นเวทนาในเวทนาทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในเวทนาบ้างเห็นธรรมคือความเสื่อมในเวทนาบ้างเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในเวทนาบ้างอยู่อันหนึ่งสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่า เวทนามีอยู่ก็เพียงเพื่อความรู้เพียงเพื่ออาศัยระลึกเท่านั้นเธอเป็นผู้อันตัญหาและพิฐิไม่อาศัยอยู่แล้วและไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกดูก่พิภิกษ์ทั้งหลายแม้อย่างนี้พิสูชื่อว่าพิจารณาหินเวทนาในเวทนาอยู่จบเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานนี่จบแล้วจบแร้ว <c oughs> นี่แคเนี้อะมีอุเทศเป็นี้นิเทศนะไม่ใช่อุเทศจะเป็นเนี่ยเออต่อไปก็เป็นภาคในการทำการทําความเข้าใจนะฉนการศึกษาเวทนาเนี่ยนุปัสสนาในวันแรกเนี่นะในวันแรกเนี่ยเออการที่จะมีความเข้าใจในการศึกษาในเวทนานุปัสสนาเนี่ยพการศึกษาในเรื่องเวทนานี่เป็นเรื่องความจําเป็นเนาะจำเป็นก็คือเป็นชีวิตของเราเลย เพราะเวทนาเป็นส่วนหนึ่งของขันห้าซึ่งเวทนาเนี่ยอยู่ในกระแสจิตของเราอยู่ตลอดเวลาเลยเป็นเจตสิกธรรมที่ที่ไม่เคยเว้นหรือฉันถ้าจิตเกิดเวทนาเกิดจิตดับเวทนาดับจิตตั้งอยู่เวทนาก็ตั้งอยู่เนาะฉะนั้นเวทนานี่เกิดร่วมกับจิตภาษาเวทนาไงใช่ไหมเวทนาเป็นขันหนึ่งในขันห้าเขเรียกเป็นเวทนาขันฉะนั้นตามว่าเวทนานุปัสนาเนี่ยเดี๋ยวแยกสาบหน่อยเนาะ โยมสมมานบอกเอ๊ะทำไมไม่แยกสับให้ดูบ้างเลยแนี้เวทนาเนี่ยสับคําว่าเวทนาเนี่ยนะคําว่าเวทนานุปัสนาเนี่ยมาจากคาว่าเวทนาศับหนึ่งแล้วก็อนุปัสนาอีกสับหนึ่งเนาะทีนี้พอรวมกันแล้วก็แปลว่าเป็นอะไรเวทนานุปัสนานเอาออ่างออกไปเอาสละอาไปแทนไปกลายเป็นเวทนาเลยที่จริงก็คือว่าอเวทนาบวกอนุปัสนาใช่ไหม ก็อาออ่างทิ้งไปเลยลบอ้ออ่างออกไปเลยตามไวยากรเขาเนะีตามภาษาไวยากรณ์ก็เลยกลายเป็นเวทนาที่ป เ, เป็นาสนาเวทนาก็แปลว่าการเสวยหรือเสวยรสของอารมณ์คือความรู้สึกในเองซึ่งตปวดกันอยู่ทุกวันเลยมีความรู้สึกเจ็บปวดเมื่อยชาสุขทุกข์ดีใจเสียใจเนะี่ยว่าโดยประมัดแล้วเนะี่ยเป็นความรู้สึกทางใจนะ เขาเรียกว่าเวทนาเจตสิกใช่ไหมทีนี้เวทนาเจตสิกเนี่ยเป็นหนึ่งในจํานวนเจตสิกห้าสิบสองดวงใช่ไหมในห้าสิบสองดวงนั้นน่ะที่ประกอบอยู่กับจิตทุกๆดวงเขาเรียกว่าสภาวจิตสาธารณาเจตสิกเป็นสภาวธรรมที่มีจริงเป็นตรมัตตธรรมนะเป็นประเภทที่ว่าเป็นขันธ์ขันธ์หนึ่งด้วยก็เรียกเป็นเวทนาขันธ์เมื่อเป็นเวทนาขันธ์จึงเป็นสภาวธรรมที่เกิดโดยมีเหตุปัจจัยนะเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นสังคตธรรม ฉะนั้นเวทนาไม่ใช่ปัญญัติเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งใช่ไหมเนี่ยเราศึกษากันก็คือว่ารูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันสรุปแล้วตอนนี้เรามาเรียนเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานเนี่ยไอเวทนาคือตัวเวทนาที่เรามาศึกษาเวทนากันเนี่ยนะส่วนอนุปัสนาเป็นชื่อของปัญญาแต่อนุสปัตอนุปัสนาหมายถึงปัญญาจะเกิดขึ้นได้เนจะเว้นจากสติไม่ได้เนาะ ฉะนั้นก็จะต้องมีสติตอนนี้เขาเรียกว่าเวทนานุปัสนาสติปัฐานก็แปลว่าอะไรเนี่ยสติที่เป็นไปกับการพิจารณาหรือตั้งมั่นอยู่ที่เวทนานั้นเวทนานี่เป็นสังคตธรรมไม่ใช่บัญญัติดังนั้นจึงสามารถนําเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาและเป็นสภาวะที่อยู่มีอยู่จริงเนาะมีอยู่จริงส่วนอนุปัสนาเนี่ยก็แปลว่าการพิจารณาลงเนือง ถ้าโดยหลักใหญ่ๆมันมีอยู่สามอย่างอา น, นิจจานุปัสสนาดุกขานุปัสสนาแล้วก็อนัตตานุปัสสนาเนี่ยเรไปแยกเป็นเจ็ดเขาเรียกว่าอนุปัสสนาเจ็ดเดี๋ยวต่อไปก็ต้องไปศึกษาในอนุปัสสนาฉะนั้นในการศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราต้องศึกษาเรื่องอะไรเรื่องกายานุปัสสนาสติปัฏฐานใช่ไหมกายานุปัสสนาเวท น, นานุปัสสนาสติปัฏฐาน จิตาอนุปัสนาสติปัฏฐานแล้วก็างามอนุปัสนาสติปัฏฐานมีอยู่สี่อย่างนะนั่นจะมีคําว่านุปัสนานุปัสนาก็คือมีคําว่าอนุปัสนาหมดเลยทีนี้โดยหลักแล้วเนี่ยอนุปัสนามีเท่าไหร่มีเจ็ดเนาะมีอะไรบ้างอะอนุปัสนามีอะไรบ้างอะอ้ามีอะไรบ้างอะอันแรกก็เรียกว่าการพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเขาเรียกว่าอนิจจานุปัสนานาะอนิจจานุปัสนาอันนี้คือนนคข้อแรก คือปัญญาที่ไปตามเห็นพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ไปพิจารณาเห็นโดยความเป็นของเที่ยงเขาเรียกอนิีจานุปัสสนาประการที่สองเขาเรียกอะไรทุกขานุปัสสนะคือปัญญาที่ไปพิจารณาที่จริงก็มีทั้งสติและปัญญานี่เนะปัญญาที่ไปพิจารณาเห็นโดยความเป็นทุกข์ไม่ใช่ไปพิจารณาเห็นโดยความเป็นสุขเขาเรียกทุกขานุปัสสนาประการที่สามเขาเรียกว่าอนัตตานุปัสสนานะปัญญาที่ไปพิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่ไปพิจารณาเห็นโดยความเป็นอัตตาเนี่ ประการที่สี่ก็คือว่านิพพิทานุปัสสนาปัญญาที่ไปพิจารณาเห็นโดยความเบื่อนหน่ายไม่ใช่ไปเพิดเพลินนะประการที่ห้าก็คือเกิดประการที่ที่ห้านะี้เขาเรียกว่าอะไรวิราคานุปัสสนานะคือปัญญาที่ไปพิจารณาเห็นด้วยความโดยความคลายกําหนัดไม่ใช่ไปกําหนัดยินดีประการที่หกก็เมี่ย นิโรธานุปัสนาปัญญาที่ไปพิจารณาเห็นโดยความดับตัณหาไม่ใช่ให้เกิดตัณหาประการสุดท้ายก็คือว่าปฏินิสคานุปัสนาคือปัญญาที่ไปพิจารณาเห็นความโดยการสลัดออกไปไม่ใช่ไปยึดมั่นก็ว้ถ้าพิจารณาเห็นโดยความไม่เที่ยงอยู่เนืองเนืองเนี่ยนะถ้าพิจารณารูปหรือในขณะนี้พิจารณาเวทนาเห็นโดยไม่เที่ยงอยู่เนืองเนืองเนี่ยก็จะนิจจะสัญญาได้ ถ, <PTSD> ถ้าไปพ <Hindu Mack princess> ิจารณาเห็นด้วยความเป็นทุกข์มันจะละอะไรได้ละอะไรได้มันจะละสุขาสัญญาได้ใช่ไหมพิจารณาไอ้วินาเนี่ยต้องไปพิจารณาเห็นด้วยความเป็นทุกข์เนี่ยมันจะละสุขาสัญญาได้ถ้าไปพิจารณาเห็นด้วยความเป็นอนัตตาก็จะละอัดตาสัญญาได้คือความเป็นตัวเป็นตนเนี่ยนะถ้าไปพิจารณาเห็นด้วยความเบื่อหน่ายจะละนันทิธรรมได้คือความเพลิดเพลินถามว่าเราเพลินไหมชีวิตเราวันวันหนึ่งเนี่ยเพลิดเพลินเพลินนะ ในตาหูยิ้มมือมีนกายใจยเพลินสู่เพลินในรูปเสียงกลิ่นรสอะไรสัมปัสทำารมณ์อะไรถ้าพิจารณาเห็นด้วยความคลายกำหนัดมันจะดราลาภะได้ถ้าพิจารณาเห็นความดับก็จะละสมู ท, ทยัยถ้าพิจารณาเห็นโดยความสลัดออกมันก็จะละความยึดมั่นเป็นต้นได้ลักษณะอย่างเนี้เขาเรียกว่าการพิจารณาในเรื่องของอนุปัสนาเจตประการเนี่ยต้องเอามาใช้หมดเลยทุกหมวดนะนะเขาเรียกวาเวรานุปัสนาจึงแปลว่าการพิจารณาเห็นเวรานาอยู่เนืองๆก็หมายคือว่า ใช้สติปัญญาพิจารณาอยู่เนืองๆ เ, เพื่อหเห็นอะไรจุดมุ่งหมายกูเห็นอะรลัะเห็นลักษณะของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วเป็นอนัตตาเป็นเจ้นเราเนี่ยนะของความเกิดดับของเวทนานั้นจนกระทั่งไม่ยึดมั่นถือมั่นนะนะไม่ยินดียินร้ายในเวทนานี่ก็ละความยินดีละความยินร้ายได้ความยินดีภาษาบาลีว่าไงอภิชานะเมื่อกี้ที่ท่องมาเนี่ยความยินร้ายภาษาบาลีว่าไงทรมนัส ละอภิชาและโทมนันะละระความยินดีและความยินร้ายนั่นแหละทีนี้เวทนาอนุปัสนานี้เป็นกรรมฐานประเภทรู ป, ปรกรรมฐานหรืออารูปกรรมฐานเป็นรูปกรรมฐานหรือเป็นอารูปกรรมฐานเป็นรูปหรืออารูปรูปหรืออารูปอารูปแปลว่าเป็นน้ำกรรมฐานที่เป็นน้มเนี่ยไม่ใช่เป็นรูปเพราะเวทนานึ็นความรู้สึกสเสวยรสของอารมณ์ใช่ไหมสุขทุกข์แล้วก็เฉยอ่ะ มีสามตัวไงเนี่ยโดยหลักใหญ่ๆนี่นะก็ไปแยกเป็นห้าก็ว่าไปสุขทุกข์สมนัสโทมนัสอุเบกขาจําง่ายไหมโอเวลานามีห้าก็จำห้านิ้วก็ไว้ใช่ไหมจาได้ง่ายมากสุขทุกข์สมณัสโทมณัสอุเบกขาแค่นี้ยจําเนี้ยใช่ไหมแค่นี้จํา ไ, จได้แล้วก็ไปนั่งนับนิ้วบ่อยๆสุขทุกข์สมนัสโทมณัสอุเบกขาแค่นี้เองวิธีจํำง่ายเลย เออโบราณเนี่ย อ, อคนโบราณนี่ก็ดีอย่างเขาเขาหัดจําหัวใจโยนสมัยเช่นเวลาเขาจะจําหัวใจพระไตรปิฎก เ, เขาบอกว่าออสังนทมงงีมะสังอังคุกนะนี่ก็จจำได้ห้าคำพีเลยทีมะสังอังคุกอ๋อทีคัิกาย ม, ามะมชิมนิกร์ไหม สังภาษสังยตระนิกายใช่ไหมทีมะสังอังอังก็คืออังคตระนิกายโคก็คือขคทักกะนิกายแล้วก็ไม่จาหัวใจเลยก็ออกกำหัวใจมาเริ่มจะไปไหนยังไม่ใช่นี่คือวิธีการจําหัวใจการศึกษาแบบพม่า ก, ก็ศึกษาแบบเนี้ยอย่างเช่นวินยัยววิิไอนัยก็คืออาปามะจุ ป, ปะหรือว่าอภิธรรมอะสังวิทาปุกกะยาปะอันเนี้ยสังก็ทำภามาสังขิมิทาก็คือทาก็คืออะไร สังวิวิก่อนนะวิกระุ้นพังขบากกรทธาก็คือธาตุตัวคถาสังวิธาปุก็คือปุขละปัญญัติสังวิธาปุกะก็คือคาถาวัตถุยาก็คือว่ายามกนปะตรงนั้นคือปัจฐานใช่ไม้มจบเลยจ mm hmm. ำหัวใจไว้แล้ว mm hmm. ก็วิธีจำยออนะ่อเขาเนาะนี่เขาจะจำย่อยเนี่แต่ก่อนก็โบราณก็บอกให้ท่องกันไว้ ไอเราคิดว่าท่องอะไรที่ไหนได้ท้องหัวใจเขาใจพิถุกเลยแต่รู้มีท่องไว้ตั้งนานแล้ว ต, ตอนจะมาเนี่ยเยสมาตอนตอนเช้าเช้าก่อนที่จะศึกษาเขาวินัยกนอย่นเขามีโยมท่านหนึ่งก้ะโทมเขาอยู่ในห้องปฏิบัติกนระะโทมมาถาม <c oughs> เขาบอกว่าเออไปปฏิบัติเขาห อ, อ้หดูมืดมากคล้ายๆว่าเขาอึดอัดมากเขาบอกว่าป ฏ, ปฏิบัติเนี่ย ท่นี้ไปถึงอาจารย์เขาก็บอกว่าเอออ้าวมาที่เนี่ยอย่าไปคิดว่าทํากรรมฐานก็แล้วกันถือว่ามาทักผ่อนถ้ามาทำกรรมฐานถ้าทำแล้วเดี๋ยวมันจะอืดอ่ดเขาบอกแม่พอพออาจารย์ก็สอนไม่ให้ทํากรรมฐานแค่นั้นโอ้ยโล่งสบายเลยก็แม่ก็เขาเขาบอกเข้าทางเข้าถาวรเอออย่างนี้อย่างนี้ถูกไหมคือว่าเวลาเข้าห้องกรรมฐานเวลาไปประพฤติปฏิบัติเนี่ยอย่าไปคิดว่าเราทำกรรมฐานช่วงนั้นนี่ย ถ้าไปคิดว่าเราทํากรรมฐานแล้วม่อยู่ไหนเขาบอกงี้สอนคือสอนอย่าอย่าอย่าทํากรรมฐานแล้วก็ถามถามอะไรมาว่าเอออีกใช้ได้ไหมไอ้มาเขาบอกว่าไอ้คำว่าอย่าทํากรรมฐานเป็นภาษาพูดที่มันไม่มีอยู่ในตำราเขาไปดูในสติปัฏฐานใช่ไหมมันมีวัดอยู่ข้องสติแต่ข ต, ออขตปัจจารสติกับวดัดวัดในการจะนากรรมฐานไปนํารําฐานกลับให้เราเรียนกันแล้วเนี่ยใช่ไหมใช่ก็คือ อย่าอยู่ปราศจากกรรมฐานเห็นไหมทีนี้คําว่าอย่าอยู่ปราศจากกรรมฐานเนี่ยคนบาง ค, น, คนบริหารกรรมฐานไม่เป็นไม่อึดอัดเ น, นี่ยแท้จริงกรรมฐานนเนมันไม่ใช่ไม่ใช่เปเรื่องความอึดอัดนะกรรมฐานเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องความอึดอัดแต่คนบางคนไปคิดว่าโอ้โหถ้าเอากรรมฐานมาแ บ, บกเอาไว้นี่มันอัดมันอึดอัดไงนั้นกาเรเจริญกรรมฐานเนี่ยนะถ้าเราศึกษาในเรื่องกรรมฐานเนี่ยให้สังเกตไหมว่า วัดในการนํากรรมฐานไปนํากรรมฐานกลับหรือเจริญกรรมฐานไปเจริญกรรมฐานกลับมันเดียวกค่นั่ะมันสิการกรรมฐานไปมนนัสิการกรรมฐานกลับก็โดยโดยโดยตรงก็คือว่าอย่าอยู่ปราศจากกรรมฐานให้บริหารกรรมฐานอยู่ตลอดเวลาไอ้ีการที่จะบริหารกรรมฐานอยู่ตลอดเวลานะไม่ใช่แบกใช่ไหมคนบางคนเนี่ยไปไปคิดในใจว่าโอ้เราจะต้องมาทํากรรมฐานถามว่า ถ้าคิดแบบนี้มันคิดได้แต่ว่าต้องบริหารให้ถูกว่าการเจริญกรรมฐานไม่ใช่เจริญด้วยตัามาหน้าที่ถี่นะเออแปลกเลยให้สังเกตดูไหมว่าเวลาเจริญเวทนาเมื่อกี้เราว่ากันเนี่ยสุขเวทนามีไหมทุกขเวทนามีไหมอาทุกขมาสุขเวทนาหรือเบคะเวทนาก็มีมีามิตรไม่มีามิตรเป็นยอดก็ไปบวกก็ไปอีกกลายเป็นกลายเป็นกลายเป็นเก้าสุขเวทนาทุกเวทนาอาทุกขมาสุขเวทนาสามได้ไหมแบบมีามิตรก็อีกไม่มีามิตรซะอีก แย่ อ, อีกอย่างละสองอีกได้ลกลายเป็นสามสามเก้าเลยใช่ไหมเวทนาธรรมดาที่ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรก็สามอยู่แล้วไปเกี่ยวข้องกับอ ม, มิสอีกสามกลายเป็นหกไม่เกี่ยวข้องกับอ ม, มิสอีกสามเลยกลายเป็นเก้าเลยเขาใจะง่ายๆแบบนี้นะอา ม, มิสในที่นั้นคือเหยื่อคือกรรมคุณใช่ไหมถ้าไม่ใช่ไม่ไ ม, ไม่ไม่อิงอมิสก็คืออิงเนคขัมมะจบเลยทีนี้ถ้าถ้ากลุ่มบุคคลที่บริหารกรรมฐานเนี่ยถามว่าเออเขาก็ถามว่า จะเจริญกรรมฐานยังไงอาตมาก็บอกว่าคุณสามารถระลึกถึงกุศลศีลของคุณได้ไหมเขาเอ้ยอาจารย์ว่ากุศลศีลเนียอามาระลึกไม่ใช่เป็นอารมณ์ของสติปัญฐานนะก็งั้นนะเออไม่ใช่เอ๋อโยสะวานใช่ไม่ใช่กุศลศีลเอามาระลึกแล้วเนี่ยกุศลศีลที่รักษาไว้นะไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยไม่ทะลุไม่เป็นรูแล้วก็ไม่เจือด้วยตานามันนะที่จริงี่ยไอตัวกุศลศีลเหล่าเนี้ยเอามาระลึก เป็นอารมณ์ได้ไหมเป็นสติปัฏฐานไหมเป็นไม่เป็นอ้าเป็นข้อไหนเป็นข้อไหนอ้าวเป็นกรรมฐานเป็นกรรมฐานข้อไหนนั่งเงียบแล้วเลยนี่เป็นอย่างเนี้ยอ้าวถ้าบอกเอาไปเล็กถึงโกศใช่ไหมศีนโกศเนี่ยอ้าวจะเป็นกายานุปัสนาเวทนานุปัสนาจิตตานุปัสนาธรรมานุปัสนาเป็นกรรมฐานอะไรเนี่ยน่าจะเป็นยังไงเนี่ยใช่ไหมตอบเขาไม่ได้เลยเดีวนี้ยุ่งเลยตัี๋วนี้ เดี๋ยวกระสอบเรียนก็มาถามแลระคุณเจ้ารูปไหนอะไรเงี้ยแม้กุศลศีลเนี่ยกุศลศีลในที่นั้นมันเป็นชื่อของอะไรเจตนาก็ชื่อว่าศีลเจตสิกก็ชื่อว่าศีลสังวรก็ชื่อว่าศีลเป็นต้นยังไงจ้ะนั้นตัวกุศลจิตนเนี่ยนะที่ปารกปานาธิบาตอาทินนาทานทิมวดเว้นจากปานาธิบาตอาทินนาทานเป็นต้ น, นอะไรเนี้ยมันเป็นกุศลศีลอโลพาเนี่ยเป็นศีลไหมเห็นไห ม, อ, ไหมอโลพาอโทสะ ปัญญาใช่ไหมวิรติสามเจตานาเจตสิกสติสังวรขันติสังวรวิริยาสังวรญาณนะสังวรเะเห็นไหมการเอากุศลศีลมาระลึกเนี่ยมาระลึกเอาละลึกยังไงเอามาละลึกยังไงถึงจะเป็นสติปัฏฐานใช่ไหมเอามาละลึกยังไงอ่ละในละลึกใหม่ๆใช่ไหมใ น, นขณะที่เอากุศลศีลมาละลึกแต่ตัวกุศลศีลที่เป็นอะโรพาธ อะไที่เป็นเ จ, เจตนาศีลเจตสิกสีเป็นตัวเหล่านี้นะศีลที่ไม่ยิงด้วยตัณหามานะทีท่ติไม่ขาดไม่ด่าไม่พลอยไม่รู้ไม่รู้เป็นตัวเนาะเป็นไทยนี่แหละไม่เป็นธาตุเป็นกิเลสที่รักษากุศลศีลนี่แหละเอาสติน่ะตัวศีลน่ะตัวกุศลศีลน่ะเป็นนามธรรมเนาะเป็นนามธรรมล้วเน้นเจตสิกธรรมหรือเน้นกิจถ้าเน้นเจตสิกธรรมเนี่ยอยู่ในกลุ่มของธรร ม, มานะท่าเน้นตัวเวทนา ม, มึงจะเป็นเวทนานุปัสานา ถ้าเว้นตัววิญญาณอาคารมันก็เป็นจิตต า, นะาเนาะปัสนานะทั่งนั้นโดยสรุปแล้วตัจริงๆมันเป็นธรรมากระดัเป็นตัวกุศลเนาะเป็นตัวกุศลศีลน่ะที่เราระลึกอยู่ในขณะนั้นน่ะในขณะที่ระลึกบ่อยๆเอามาระลึกบ่อยๆอยู่มะเอาตัวกุศลศีลมาละลึกบ่อยๆตัวกุศลศีลเป็นอรารมันหนาปจาัจจัยเป็นอารมณ์แต่ตัวสติเนี่ยเป็นอรารมณันหนปัจจยุบันอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลเนี่ยตัวศีล น, น่ยเป็นเหตุ ตัวสติสำหรัชัญญะที่เข้าไปรู้นี่เป็นผลนลเห็นไหมเป็นตัวเข้าไปรู้เอางี้เอางี้ดีกว่าอะไรเป็นตัวอะไรเป็นตัวถูกรู้อะไรเป็นตัวเข้าไปรู้ตัวกุศลศีน่ะถูกรู้ตัวสติกับปัญญาเนี่ยเป็นตัวเข้าไปรู้ก็ยังยังเวลาเจริญสติอ่ะไอตัวสติเข้าไปรู้ปัญญาเข้าไปวิจัยใช่ไหมสติเข้าไปรู้กุศลศียินดับไปหรือยังดับหรือยัง ดับแล้วเอากุลาศลสีในอดีตหรือในปัจจุบันอดีตหรือปัจจุบันอดีตมันจะไปขึ้นพร้อมกันได้ยังไงนะกุลศลสีต้องดับไปแล้วใช่ไม่ใช่ใชไอตัวสติสัมป ช, ชัญญะนั่นแหละไปเอากุลาศลสีนั่นะเอามาร ะ, ะลึกบ่อยบ่อยไอร ะ, ะลึกใหม่ๆนี่เป็นสตินะเป็นสมาธินะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสีราสสติระลึกไปเรื่อยๆมันเกิดอะไรแต่เนี้ย เกิดอาวิปัิสารไม่เดือดร้อนใจนะเอาระลึกไปจะเดือดร้อนใจได้ไงสีเราดีอะเดือดร้อนใจไหมยิ่งรเ ล, ลกยิ่งยิ่ ง, ย, งยิ่งสว่างระลึกยิ่งยิ่งปลาโมดนะปลาโมดยิ่งปีติไหมโอ้ปีติเกิดใหญ่เลยเดีเยวนี้นั่นไงปีติเป็นอรมของวิปัสสนาได้ไหมปีติเที่ยมหรือไม่เที่ยมไม่เที่ยงอ๋อระลึกเดี๋ยวนี้ย เห็นแล้วเนาะปีติแต่ก่อนมีไหมแต่ก่อนมีไหมแต่ก่อนมีปีติไหมแต่ก่อนหน้านั้นที่ไม่เคยระลึกมีปีติเคยเกิดไหมไม่เคยเลยเนาะแต่อยู่ต่อมาแล้วปีติก็เกิดแสดงว่าปีติเกิดจากปัจจัยไหมโดจากปัจจัยปีติเนี่ยอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นเนาะไอ้ปัจจัยของปีติเที่ยงไหมปัจจัยที่ทําให้เกิดปีติเที่ยงมไหมไม่เที่ยงกุศลศีลไงเป็นปัจจัยเกิด อวิปัิสานเอาวิปัิสานเป็นปใจกับปราโมดปราโมดเป็นใจกับปีติปราโมดเขาไม่เที่ยงเอาวิปติสานก็ไม่เที่ยงกุศลศีลก็ไม่เที่ยงแม้แต่กุศลศีลเที่ยงเราสบายศีลก็ไม่ขาดกันแล้วใช่ไหมนะศีลก็ไม่ดับแล้วที่มันเกิดดับตลอดเวลาเดี๋ยวมีศีลดี๋ยวไม่มีศีลดี๋ยวเดี๋ยวสังวรเดี๋ยวไม่สังวรมันบ่งบอกถึงอะไรเนี่ยบ่งบอกถึงไม่เที่ยงใช่ไหมสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ เป็นอัตตาคือหน้าตาบังคับได้ไหมนี่ไงวิปัสสนาเกิดได้ยังนี่ไงวิปัสสนาเกิดใก้ถามนี่สติปัฏฐานไหมมองเห็นยังเนี่ยนี่ไงอนุปัสสนาแล้วคือปัญญาที่ไปตามเห็นด้วยความไม่เที่ยงนะจะเห็นอะไรเราไม่ใช่เห็นไม่ไช่เห็นท้องฟ้านะนี่เห็นจริงๆเลยใช่ไหมเห็นตัวกุศลสีนั่นแหละปัจจัยของกุศลสีเห็นฟ้ามอดพิจินั่นแหละไม่เดี้ยวเป็นทุกข์เปนหน้าตามองเห็นยังมันก็มาจากการว่า ทีนี้เบื้องต้นเป็นอะไรตัวกุศลศีลเป็นนามไหยกุศลศีลอาศัยอะไรตัวนามาอาศัยอะไรอาศัยรูปไหมอาศัยอหิยวัตถุเนาะอหิยวัตถุนี่เป็นอุปาทายรูปหรือมหาพุทธรูปอหิยวัตถุเป็นมหาพุทธรูปหรืออุปาทายรูปอุปาทายรูปอาศัยมหาพุทธรูปใช่ไหมมหาพุทธรูปก็คือกรรชกายนี่ใช่หร si ือไม่เริ่มเห็นรูปนามยังแยกรูปนามเนะไม่ยากเลยนะนี่เขาแยกแบบนี้ แล้วแยกรูปนามก็ไปเห็นปัจจัยของรูปนามเ ห, ห็นปัจจัยของรูปนามก็ไปพิจารณาหรรเห็นใยความไม่เที่ยงไปดูอนุปัสนาคือเกิดอย่างนี้แหละก็เลยบอกดองก็นี่ไงมันก็ยังไงดีละ่ะอา้าสมมตุมมติอย่างนี้นะเราบอกว่าเออเอ า, เอ า, ค, า, าคุณไปทำนาเนาะนะคุณไปทํานาเนี่ยเอา้าคุณมีเมล็ดข้าวปลูกอยู่แค่เร้อยเม็ดนะหนึ่งร้อยเม็ดข้าวเปลือกนี่นะคุณจะต้องเอาไปทํานานะ เราเอามาปบแล้วก็ไปวางเขาไ แ, แล้วไม่ทําต่อแล้วมันจะเพิ่มไหมเพิ่มแรือเล่าไในเพิ่มนะมันจะได้เอาไปปลูกมั้งปลูกบ่อยๆยิ่งปลูกยิ่งเพิ่มนะยิ่งเพิ่มเนาะตัวกุศลศีลเน่ยรับไปก็ไปทิ้งแปะไว้ก็ได้แค่นั้นก็ น, นี้แหละปัญหาประเด็นตรงนี้ที่อาจมาพยายามพยายามบอกตลอดเวลาเลยว่าเราผิดทางกันไปแล้วใช่ไหมเลยผิดกัแล้ว เราผิดแต่แล้วเราจเจริญกุศลกันผิดพลาดแตแล้วเนี่ยดีไม่ตายก่อนเนับเยอะทำอยู่ทุกวันว่าได้เยอะแบงลืมนับไปก็ น, นี่แหละก็ก็นนกต้องขยายผลเมื่อเข้าใจแล้วต้องช่วยกันขยายไอแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ต้องขยายถ้าไม่ขยายเจ๊งเนี่ยชาวพุทธเจ๊งเนี่ยไปไม่เป็นเลยแม้ น, นาเป็นห่วงทีนี้ทีนี้ตรงเนี้ย ทีนี้ทีนี้ปัญหาชาวพุทธเป็น ย, ยังไงรู้ไหมมันมีอีกประเด็นหนึ่งนะปัญหาชาวพุทธก็คือว่าเวลาเรามองอะไรแล้วมองไม่ตลอดสายเพราะมองไม่ตลอดสายอย่างยกตัวอย่างเช่นนะพอมองศีลมันก็ไปติดแงดอยู่ที่ศีลเนนะี่ยถ้ามองทานก็ไปติดแงด์อยู่ที่ทานเนี่ยนะสมาธิก็ไปติดอยู่ที่สมาธิปัญญาก็ไปติดอยู่ที่ปัญญาเนี่ยมันมองไม่ทะลุไม่รู้จะไปยังไงอายกตัวอย่างเช่นว่า เวลาไปปฏิบัติเนี่ยมันก็จะยืนยันกันอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเอาสิออกจากปัจจุบันไม่ได้จะอึดอัดจะแย่เลยในนี้นะไม่ได้ใช่ไหมต้องต้องได้ปัจจุบันอารมณ์อย่างเงี้ยที่โทรมาเมื่อตอนกลางวันนี้ก็เหมือนกันเลี้ยงไปเลยบอกว่าต้องปัจจุบันนะอาามาก็เอาคุณทำยังไงขอโทษเถอะช่วยทำหน่อยเถอะไอ้ปัจจุบันเนี่ยใช่ไหมคุณอยู่กับความเป็นจริงนี่ว่าจริงๆชีวิตคุณอยู่เฉพาะปัจจุบันมันอยู่ไม่ได้ มันอยู่ไม่ได้หรอกที่ไปแปลบลีผิดเนี่ยตีตังนานาวญญนางเวยะนปติงังเฉอนาตังนี่แหละยะัดเตีตังมีนันตังอปตัจานากตังเ น, นี่ยยอนไปแปลสนิดแล้วไม่ยอมขยายนี่แหละอรันนี้เราไม่สามารถจะนั่งได้เพราะว่าเราต้องย้อนถามเขาเลยนะถามบ อ, อกบ้านคุณปลูกแน่ดีตหมตั้งแต่ดตีไหมบ้านคุณเนี่ยแล้วคุณไปอยู่ทำไมล่ะทำไมไม่สร้างใหม่ในปัจจุบันอยู่ปัจจุบันไปเรยก็ <c oughs> <c oughs> บ้านเน่ทำแน่ดี ก็บ้านก็ทำตั้งแต่อดีตถ้าคุณตังเกียรตอดีตจอได้ก็จริเราไป่ยุ่งเรื่องในกรรมฐนี่ยังตัดอดีตใช่ไหมไม่ใช่เราคือคืออย่างนี้นะว่าอารามาไม่ได้ไปแย้งหรอกแปลว่ามันทำไม่ได้ไอปัจจุบันระลึกได้ไม่ได้เอางี้นะอารามณ์ัปัะเรียนกันไหมเออเข้าไปอารมณนสังขารเรียนมากันไหมอย่ารายแค่ข้อเดียวแค่นั้นนะยมสมานอ้อทันดีเล้ ปัญจวีปัญจวิสาวปริตตำหิชาจิตานิมาเกเตเอกวิสติโวหารออัฏฐานิพานโคเยเลนี่นะเอาคาถาเดียวปัญจวิสาวปริตตำหิจิตยี่ห้าดวงจิตยี่ห้าดวงมีสองกลุ่มเนาะทวีปัญจวิญญาณจิตสิบมโนธาสามมีสิบสามดวงนะแล้วก็สันติสามมหาบากแปดหะสีหนึ่งนี่กลุ่มหนึ่งกลุ่มสิบสามกับกลุ่มสิบสองนะกลุ่มสิบสามกับกลุ่มสิบสองนี่แหละเอากลุ่มสิบสามเลยนะ ก็คือว่าทวีปัญจวิญญาณในจิสบจักผูวิญญาณในจิตสองโสตวิญญาณในจิสองนาวิญญาณในจิสองชิวหาวิญญาณในจิตสองกายยะวิญญาณในจิตสองนั่นสิบดวงเนี่สิบดวงนี้มีปัจจุบันเป็นอารมณ์จ๋าเลยเนี่ยเนี่ยรับอดีตก็ไม่ได้รับอนาคตก็ไม่ได้และรับอารมณ์โดยความเป็นปรมัตถธรรมด้วยเช่นจักผูวิญญาณในจิตสองมีรูปอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันอย่างเดียวเนี่ยเนี่นปัจจุบันแท้เลยนะโสตวิญญาณในจิตสองมีสัทธารมณ์ที่เป็นปัจจุบันอยย่างเดีว ไอ้ขานวิญญาณจิตสองมีคันธารลมที่เป็นปัจจุบันอย่างเดียวชิวหาวิญญาณจิตสองมีรัศสารลมที่เป็นปัจจุบันอย่างเดียวกายวิญญาณจิตสองมีโพธพารล์ที่เป็นปัจจุบันอย่างเดียว ม, โ น, มโนท่าสามใช่ไหมไอ้มโนท่าสามเนาะปัญจทวารชนะจิตหนึ่งสมปฏิชนะจิตสองมีปัญจารลมที่เป็นปัจจุบันอย่างเดียวและเป็นปรมัทุด้วยนั้นปรมาทิจ่าแท้ๆเลยในะที่เป็นปัจจุบันมีแค่สิสามดวงมีแค่ปัจจุบันเนี่ยเนี่ยแต่เขาเรียกเป็นจิตอะไรไหม สิสามดวงนี่เขาเรียกว่าเป็นกิติตทุลพลรอบด้านสามกำลังสามกำลังโดยเฉพาะทวีสิบนะี่แหละสามกำลังขนาดไหนรู้ไหมไม่ทําจิตตชะลูบทุกชนิดเลยไม่ทําเลยเช่นจิตตะเชะลูบที่เกี่ยวกับการเดินก็ไม่ได้ไะมการเดินการยืนการนั่งการนอนก็ทำไม่ได้หรือจิตตชะลูบที่เกี่ยวกับอะไรสามัญก็ไม่ได้ ใช่ไหมใช่โดยสรุปเอางี้ว่าไม่ทำไม่ทำวินยักไม่ทำียาบทแล้วก็ไม่ทำจิตตะชโลกสามัญจบเลยเพราะงั้นจิตที่มีกาลังน้อยเท่านั้นที่จะรับอารมณ์เป็นปรมัตและเป็นปัจจุบันแล้วจิตนั้นทุลพลด้วยสามกำลังรอบด้านมีอารมณ์เป็นประดุะมัตและปัจจุบันจ๋าเลยเลอะกุยเลยทีนี้เอาเอาจิตที่ดีขึ้นมานิดนึงเนาะ สันติสามหมายบากแปดหสี่หนึ่งนี้แค่เนี่ยปรมตัตดนี้แค่เนี่ยชาวนะที่รับป ร, ปรมามัดเป็นอารมณ์อย่างเดียวมีอยู่โดวงเดียวคือห้าสี่แต่อันนี้รับอารมณ์ในสามการนะอดีตอนาคตและปัจจุบันนอกนั้นไม่ต้องพูดถึงมันเป็นอย่างนี้ไงทีนี้เวลาเราเจริญวิปัสสนาเราใช้อะไรเจริญที่เราเรียกวิปัสสนาต้องมหาบุญญาณะสัมปยุทธใช่ไหมอย่างเราเราเนี่ยต้องใช้มหาบุญญาณแะสัมปยุทธ มหาคุสรยานธรรมยดรับอารมณ์เท่าไร่รับอารมณ์หกรับรูปารมณ์ศรัทธารมคันธารลมละสารลมโพธพารมและธรรมารมทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกบริเรลและรับอารมณ์หกที่เป็นกรรมมะทำด้วยนะกรมะกรมจิท่าสี่เจสิก้าสองลบยี่สิบแปดแล้วก็มหากตะคือมหาคตะจีบีเจเจสิก้าสามห้าเห็นไห แล้วก็รับอโลตุลักษกุตระนันก็บางส่วนแล้วก็รับบัญญตัติสรุปแล้วรับหมดเลยนะรับอดีตอนาคตปัจจุบันแล้วก็รับการรวม ท, ที่เป็นบัญญัติด้วยนี่ปัญญานะเนน่ะในนั้นอะ่นนะปัญญานะทีนี้พอปัญญาเกิดขึ้นแปลว่าเขารับได้หมดเนาะแต่พอไปเจริญวิปัสสนาแคบมาเฉยเลยไยลม่อยู่ๆให้แคบลงมาอีย่งให้แคบแล้วมาจ้องอยู่เนี้ยเห็นไหมยัง แล้วมาจ้อง อ, อย่างเนี้ยอธิบายไงก็หลักทุกหลักก็ไม่ให้ปัจจุบันอย่างเดียวมองม อ, อย่างนี้ไเอางี้นะสมมุติว่าเอายมจะเจริญฌานสมาบัติมาก่อนเนาะได้ปฐมฌ า, านเจตุธาฌานได้เจตุธาฌานปุ๊บออกจากเจตุธาฌานในเวลาจะเจรินนญาาวิปัสสนาสติปรฏฐา น, า น, า น, นอนอกอีกแล้วพอออกเบสิสพบไปเอาเจตุธาฌานมาเป็นอารมณ์เจตุธาฌานเป็นอดีตไหมอดีตอีกแล้วแล้วจะทำยังไงจะทําปัจจุบันเป็นอารมณ์เนี่ยงงมาก มันมันมันลําบากไงมันมันทําไม่ได้มันทําเป็นความมีจิตแต่ปัจจุบันมันได้อยู่ไม่ใช่ไม่ได้ปัจจุบันมีอยู่แล้วปัจจุบันเป็นวิบัตินามีอยู่แต่ปัจจุบันอดีตที่เป็นวิบัตินาก็มีอนาคตที่เป็นปัจจุวิบัตินาก็มีเขาบอกอย่าไปจํากัดแล้วอย่าไปจํากัดเฉพาะปรมะมันลําบากเดี๋ยวก็เป็นยุ่งเป็นเรื่องเลยยอมเอางี่นะยอมนะคนที่ได้ปฐมฌานเนี่ยเขามี มีปฏิภาคระนี้เป็นอารมณ์นะสมมติมาสายกสิณยมเนี่ยเจริญปฐวีกสิณมานะเจริญปฐวีกสิณมาหรือเจริญอาณาปานาเนี่ยบัญญัติชัดเลยเอานี้กว่บัญญัติเอาอาณาปานานั่นแหละอาณาปานาบัญญัติก็เอาอีกดอกบัญญัติไอ้เอ่ออารมณ์หายใจนั่นแหละมีปฏิภาคระนี้คือลราหายใจไม่ตัวชานเลยนะออกเก็บชานนะออกมาเปร็จก็เอาชานนั่นแหละว่าพิจารณา พิจารณาองค์ฌานก็บอกวิโตกวิจารณปิติสุขเวทนาเนะอเคพิจารณาวิโตควิจารณ์ปิติเวทนาได้นะแต่เขาห้ามไปรู้ไอ้บัญญัติเนาะเออไอ้ตัปัญญาแปลกยมสมานบอกเองห้ามรู้นะบัญยัติเนี่ยทั้งๆที่มันติดแน่นมากระจิตจะไม่เป็นเราลองมองจิตมาไอ้ปฏิภาสเขาเนี่ยมันฝังแน่นก็มายุ่งยุ่งจอดไม่ได้อยู่แล้วมองเห็นใช่ไหมหรือคนมงคนเนี่ยเพ่งพิจารณาปฏิภาสที่เป็นภาษินเนี่ะ จนใส่เป็นปฏิภาคมติดใจเพราะมันยังแกะไม่ออกบางคนจนแกะไม่ออกน จ, น, กออกจนตายตายไปเกิดเป็นพรหมเลยเนี่ยเออให้รู้นามได้นี่ปรัสนา น, นี่รู้นามได้รู้ตัวตัวฌานนดะ้ได้อยู่แต่เขาห้ามไปรู้บัญญาเอือแปลกนะนิดเดียวก็ไม่ยอมให้รู้เออปหลาดแท้อาจจะมาโอ้โหอาจจะมาแกล้งณูเล่นๆนะเออคุณแปลกนี่ยรู้ตัวจิตได้ห้ามไปรู้อารมณ์ของจิตรู้ตัวฌานได้แต่ห้ามไปรู้อารมณ์โมจฌาน ก็ขนาดชานอาศัยอะไรเกิดยังพยายามตามไปรู้ใช่ไหมโยมหรือม่อาศัยอะไรเกิดบอกอาศัยหัตถย่ถูกหัตถย่ยถูกเป็นอวตารยรูปอวตารยูรูปอาศัยอะไรมหาปุรูรูปมหาปุรยรูปก็อาศัยกัลยาชัยพวกนั้นรู้กายแยกรูปแยกนามได้แต่วิปัสสนาไม่รู้บัญญัติตัวนี้ถ้ารู้บัญญัติไม่เรียกวิปัสสนาไม่เห็นเอาหัวใจเกิดประเทศไทยเราเนะ่ยนะก็ว่าไปอันนี้ก็ฟังแล้วไปพยายามแต่อันนี้ก็เป็นมุมคิดนะ ก็อาจมาเป็นนักคิดเลยเขาเรียกไม่เรียกว่านักปฏิบัติเียก น, กนักคิดมองออกไหมนะคนนี้มองออกไหมย้อนมองนะอ่ะปฏิภาคนิมตเนี่ยเขาติดกระชานไหมั้าแนบแน่นกระชานไหมแนบแน่นมารู้ชานได้จะรู้อารมณ์ได้ไหมปัญญาสติสมปชรณัญญาสามารถไปรู้อารมณ์ขององญ์านได้มไหมได้แต่เป็นวิบัตินามไหมเป็นถ้าเป็ น, ปนขั้นหลักนะก็บอกต้องรู้ประะัชนาเอาละยุ่งนะ ใช่ไหมเขาไม่ให้แต่ยิงถามว่าวิปัสสนาเขาถอนอะไรถอนตัณหามานาทิถิถอนกิเลสใช่ไหมฉะนั้นถามว่าคนบางคนเนี่ยยึดมั่นในปฏิภาสคณิมิตเนี่ยเป็นกิเลสไหมล่ะเป็นตัณหามานาทิถีเยอะมากเขาสําคัญว่าใ น, นเป็นนิพพานหรือตัวทั้งหมดเนี่ยสําคัญตัวปฏิภาสคณิมิตเป็นนิพพานอันนั้นก็ไปใครควรเนาะในบรรดานักศึกษาทั้งห่ายก็าฝากไว้เอาต่อไปนะ เออพอพูดถึงในเรื่องของการเจริญสติก่อนนะไอเจริญสติเนี่ยเวล เ, เวลาไปเจริญสติเจริญสติเนี่ยเดี๋ยวทําความเข้าใจเรื่องสตินิดนึงวันก่อนก็ก็คุยเรื่องสติเพรตอนนี้เขาจะพิมพ์ไอีเนี่ยรับสูงที่มหาสติปัฏฐานฉบับนิสยะเขาส่งส่งแม่อารมาที่ตรวจเขาจะพิมพ์อารมารก็เลยโทร โอกไปโอ้ย อ, อ, อย่าเพิ่งพิมพ์บอกแก้ไม่เรียบร้อยตอนนี้เําลังแก้ไขกันอยู่นะกาลังแก้ไขก็ก็เนี่ยเรื่องสติคื อ, ค, อคือการแปลแบบแบบพิษยาดเนี่ยในประเทศไทยก็ก็เพิ่งทำกันมาตอนนี้ก็ยังอยู่ในคัมพี์ทีขั้นนกายอยู่นะสี่หลัานทวา ร, ราตอนนี้ขึ้นถึงมาหสาสติปัฏฐานแล้วกำลังแปลนั้นแบบ พอความนี่นะคาต่อคําเนี่ยนะไอในในนิสยา ก, ก็ไม่ไม่เท่าไรแต่นี่มจะมีฟุตโนดไงฉบับนี้จะมีฟุตโนดจะไม่บอกนิสยาเลยทีเดียวก็จะเหมือนภาษาดีกลางจะมีขยายก็เลยฟุตโนดไอฟุตโนดข้างล่างเนี่ยมีปัญหามีปัญหาบางอย่างอก็บางทีไปเอามติอะไรมาใส่ใส่เข้าไปมันจะมันเจอคุณนเบือเข้าไปก็เลยบอก มาจริงๆยองก็ไปบอกเออค ว, ควรควรปรับปรุงกันให้มันให้ดีๆดีกว่าออกมาแล้วมันจะได้เ อ, อผู้รู้ทั้งหลายเขาจะได้ไม่ติงได้นะออตอนนี้กลางแก้งตรงเนี้ยฉนันต่อไปเราก็จะมีตําราศึกษาใช่ไหมพวกเราก็ทีนี้อย่างว่าถ้าโบราณเขาไม่เชื่อหรือเขาไม่เชื่อถือวิธีคัดลอกโบราณจริงๆก็ถือมุขปาฐะ เอปากต่อปากเนี่ยนะเขาถือเขาถือระบบนี้ก็ถือแม่นยํากว่าแล้วไม่เลอะเลือนด้วยระบบมุกขาถาดเพราะอะไรสมัยประทองตอนนี้ศึกษาตอนประถมสึกษาขยนาเนาี่ยเขาเขาจําปันแม่นยาําก็จํากันได้เป็นสูตรต่อเมื่อตอนนั่งรถมายังเล่าอยู่บางบังยังที่กลับรถกันนะบุกภาักที่ปมาเนาะเออเมื่อประมาณสักข้าวปีที่แล้วท่านก็มาอายุตอนนั้นท่านมาสามสิบ ท่านทรงพระไตรปิดกทรงพระไตรปิดกท่านก็ท่านก็มาเล่าให้ฟังก็ถามว่าเออโดยที่ท่านทรงมาทรงยังไงท่านก็มาเล่าประสบการณ์ในการทรงให้ฟังนท่านก็เล่าข้าฟังท่านบอกว่าพอได้พภาษาแรกท่านเออคิดอยากจะทรงพระไตรปิฎกนี่ยท่านก็ก็คิดถึงเออทรงกลุ่บุคคลเหล่านี้จะเก่งยังไงรู้ไหม อาตมาคิดเองนะจะไม่ได้แหรอกเพราะท่านพูดไม่รายละเอียดแรงดังเพราะท่านพูดแลก็แปลยากอาตมาคิว่าถ้าคนศึกษามาดีตอนนี้พระเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพานพระเจ้าบอกว่าดูก่อนนันนท์ทำและ ว, วินัยที่ตัถาโคดแสดงแล้วเั็นหยาแล้วทำและ ว, วินัยนี้จะเป็นาศาสดาหลังการร่วมไปเห็นเราใช่ไหมก็หมายความว่าพระาศาสตราเสด็จดับขันธปรินิพา น, ปพานไปแล้วเนะี่ยพวกคือไม่ต้องห่วงนะอย่าไปห่วงถ้าทำวินัยน่ะจะเป็นอภองค์ศาสดาแทนเรา มองเห็นไม่มทีนี้อถ้าโดยความก็คือว่าถ้าเราจะไม่คิดนะคิดมุมพุทธพจน์นี้นะตามอัตฉริยดีกาท่านนี้นะแล้วก็คิดว่าเออพระพุทธเจ้าเนี่ยล่วงไปหนึ่งองค์เองแต่พระธรรมวินัยมีอยู่เท่าไหร่แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์สรุปแล้วก็คือพระพุทธเจ้าปฏิญิาพันไป่องค์เดียวแต่ยังเหลือพระพุทธเจ้าอีกแปดหมื่นสี่พันองค์อ่ะเข้าใจไหมใครจาได้หนึ่งพระขันธ์ธรรมขันธ์ก็จําพระพุทธเจ้าได้หนึ่งองค์เนาะ เขคิดอย่างนี้ยมันชื่นใจแล้วมันจริงด้วยถ้าคิดอย่างน้จริงมนน่าชื่นใจว่าโอ้โพรุทธเจ้าเนี่ยบริญนิพานไปองค์เดียวเองแต่แต่ยังอยู่อีกแปดหมืนสี่พันองคแต่ถามว่าถ้าเราไปจานไว้เนี่ยไม่ขังแล้วมันเลอะเรือนบางทีไปจานผิดจานถูกยอมอายุมากๆรุ่นเก่าๆมายิ่งยืนคนแก่คนเฒ่าก็พูดกันไงไอ้พวกจกดสูตรยาเนี่ย เขบอกลอกสามทีกินตายไคยได้ยินไม้ไมไอ้ลอกสามทีกินตายเนี่ยลอกแล้วมันมันวางประโยคผิดมันไม่เข้าใจไหมไอ้คนไอ้คนที่ไม่ค่อยรู้ภาษาเนี่ยไอ้ไอ้รู้มันไม่รู้ไวยากรณ์ไม่รู้ประโยคว่าหยุดเชื่อมตรงไหนสมัยก่อนอะไรก็